พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, านีแสดงธรรมในวันที่25มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่ากรรมเตี้ยววันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันหนึ่ง แต่หลวงพ่อจําไม่ได้ว่าหลวงพ่อได้มาแสดงธรรมหยุดจุดนี้เนี่ยมันเดือนไหนปีที่แล้วเนะ้อเสียห อ, อฮะา พ, าพุทธพาเหรออืมได้มาครั้งหนึ่งเหมือนกันนะอ่ได้มาพบกับลูกหลานแต่ลูกหลานคงจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยนะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมหลายองค์ลหลายท่านที่มาแสดงธรรม ตรงนี้พอหลงพ่อก็ได้สืบสอบถามข่าวอยู่ว่าจะมีการแสดงธรรมทุกเดือนนะลูกหลานนะคือเนี่ยมีคณะสัตยาญาติโยมกลุ่มหนึ่งที่จิตใจเป็นกุศลได้จัดขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นการอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นถือว่าตรงนี้เป็นสถานที่ อ, อบรมทางด้านจิตใจเป็นสถานที่ เ, เพราะบ่มอุปนิสัยของคณะสัตยายาติโยมลูกหลานชาวอุดรของพวกเราเควรจะมีนะ เ, เพราะว่าที่เมืองอุดรของเราก็มีสถานที่รุ่นเริงมากมายหลายๆแห่งแต่สถานที่อบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจก็ควรจะมีนี่แหละมันมีที่จุดเป็น ยอมแต่หลวงพ่อไหนจะน้อยเกินไปเสียโดย3้ำไปนะแต่จถในกรุงเทพก็มีหลา ย, หลา ย, ห, ลายหลายแห่งนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อไปดูแต่ละบริษัททางร้านเขาก็จัดทำบุญแต่ละวันแต่ละเดือนเดือนหนึ่งเขาจัดเป็นวันบางทีก็วันไหนเป็นต้นเดือนของแต่ละเดือนก็มีหลายหลายแห่งอยู่ในกรุงเทพนี่เมืองอุดรของเราก่อนเนี่ย ตรงว่าว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีสําหรับจัดขึ้นมาแล้วก็เป็นฌานอบรมบ่มฤสัยของลูกของหลานคนเรามีแต่แ ส, สวงหาแต่ทรัพย์อย่างเดียวหาแต่เงินทองอย่างเดียวไม่ได้หาศีลหาธรรมเข้าสู่จิตใจเมื่อได้ได้ไดเงินได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วมันร้อนนะลูกหลานนะถ้าว่ามีธรรมอยู่ในใจมันจะเย็น เพราะเพราะเพราะเหตุไรเพราะธรรมะคือหลักเหตุผลในเมื่อคนมีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วจิตใจจะมีความร่มเย็นผาสุขอพอเหตุนั้นพอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะถ้าเดือนหนึ่งแล้วก็เป็นวันไหนก็ให้สืบสอบดูครูบาอาจารย์ออกมาจากป่ารงพงภัยท่านก็จะได้มาบอกกล่าวแนะนำ แสดงความคิดเห็นให้กับโลกกับหลานกับคณะสัต ย, ย, ยาญาติโยมได้ยินได้ฟังนะับว่าเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทัน้งหลายการออกมาแต่ละครั้งเนะี่ยไม่ใช่ของออกมาได้ง่ายงายอย่างหลวงตาวันนี้แนหะอย่างหลวงพ่อเนี่ยแหล ะ, ะถือว่าหลวงพ่อก็แล้วกันนะลูกหลานนะทำไมจึงหลวงพ่อจึงเรียกว่าหลวงพ่อเพอมองมอ ง, มองดูนะเนี่ยผู้ที่มีอายุมากกว่านะก็ถือว่าเป็นโยมพี่ก็แล้วกันนะ พ่อหลวงพ่ออายุ73็ดสามปีนะนลูกหลานนะเพราะนั้นถือว่าเป็นปู่เป็นทวดเป็นปู่เป็นตาเป็นยายของลูกของหลานได้เป็นตาเป็นปู่ของลูกของหลานได้เป็นพ่อของลูกหลานได้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงสมมติตนแดงว่าเป็นหลวงพ่อก็แล้วกันนะเพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานตั้งใจฟังถึงจะเป็นชื่อยังไงก็ตามขอให้ฟังเนื้อหาสารธรรมะ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยว่าหนะลวงพ่อออกมาจากวัดป่าป่ารงพงศ์ไพ่ออกจากอุดรไปพวกเราคงจะไปผูกก้อนนะนั่นแนหะผ่านหน้าวัดหลวงพ่อไปนะก่อนที่จะไปถึงวัดหลวงพ่อไดนะเอ้เป็นชั่วโมงครึ่งนะค่ารถขับรถถ้าขับรถทำเวลานะถ้าขัดขับรถไปธรรมดาธรรมดาสองชั่วโมงนะจึงจะถึงวัดหลวงพ่อเพราะฉะนั้นออกก่อนที่จะออกมาได้แต่ละครั้งหนะ่ง ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะที่จะปีกตัวออกมาพบกับลูกกับหลานเพราะนั้นหลวงพ่อเองอายุปูนนี้แล้วก็ไม่อยากจะออกไปที่ไหนง่ายๆอีกเหมือนกันแต่คราวนี้ก็นายโยมเสีย อ, อ๋อที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อมาเก่าแก่นมนานรู้จักกันมาทั้งตระ ก, กูลของโยมทั้งทุกคนทั้งคุณพ่อคุณแม่ของท่านด้วยนะเออ รู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่พระองค์หลวงตามหาบัวนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นท่านนิมนต์มากระหลวงพ่อเอออ้าวับรับข้อมาเพื่อจะได้มาพบกับลูกกับหลานอย่างวันนี้ละเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลหมาผ ม, มงคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังครูบายอาจารย์แต่และองค์ที่ท่านมาแสดงความคิดเห็นก็ไม่เหมือนกัน แกแค่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันหลวงพ่อคงจะอีกแนวหนึ่งอีกเหมือนกันนั่นแหละที่แสดงความคิดเห็นในรูปให้หลานได้ยินได้ฟังพ่อในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาท่านบอกว่าผู้ฟังย่อได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังได้รับฟังหลักเหตุหลักผล ห, หลักอัดหลักรมจิตใจก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการฟังจากนั้นท่านก็บอกเป็นเป็นพระบาลีว่าสุดธรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังคนจะเกิดปัญญาได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาไม่ใช่แล้วลูกหลาน อาศัยการ yeah. ศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วว่าสุดตรมายปัญญาจินตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงตาหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน <analy zer> ในเมื่อฟังแล้วมีเหตุผลในในเรื่องได้ยินได้ฟังแล้วนั้นอันนั้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วว่าจินตามายปัญญาจินตนาการตามที่ได้ยินได้ฟัง และภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะนำมาพิจารณาการตรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนั้นเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาผู้จะตัด ก, กิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจต้องภาวนาซะก่อนนะลูกหลานนะในเราภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วก็พิจารณา จากนั้นท่านก็ยกเป็นพุทธภาษีว่าสูส้สังลัสะเตปัญยญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญานะีสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังพวกเราจะเกิดจิตปัญญานะ เ, าเพราะนั้นขอให้พวก ล, กลูกหลานทั้งหลายนะที่มาฟังในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อเองเอประวัติของหลวงพ่อเป็นเนนน้อยของหลวงปู่บวชมาตั้งแต่อายุสิบเปีนะลูกหลาน ตนถึงอายุเดี๋ยวนี้73 72ปีแล้วเจ็ดสิบปีเต็มกันเนี่ยยี่สิบสเมษยีเจ็ดเมษาเน่ยแปลว่า72ปีเต็มสรุปแล้วชีวิตของหลวงพ่อทั้งชีวิตเป็นพระมาบวชมา52ปีเป็นสามเณรอีก8นะรวมแล้วชีวิตของหลวงพ่อที่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเวลาทั้ง60สิบปีนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อเพราะนั้น หลวงพ่ออยู่ในพุทธศาสนาเป็นเวลา60ปีเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรจุดนี้แนหะเป็นจุดที่ลูกหลานจะต้องฟังเพราะพวกเราไปฟังจากครูจากอาจารย์เขาก็แนะนําสั่งสอนอีกส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อนี่อยู่ในพุทธศาสนาเนี่เป็นพระป่าพระรงเนี่มีความเห็ น, หนอย่างไรเนี่ยแต่อันดับแรกนะหลวงพ่อจะพูดเรื่องอาการเป็นอยู่และการทําบุญทําทานซะก่อนนะแต่สุดท้ายหลวงพ่อจะพูดเรื่อง เรื่องจิตภาวนาให้กับพวกเราทั้งทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันดับแรกหลวงพ่อจะพูดเรื่องกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเมื่อเราทําลงไปแล้วนะกรรมชั่วจะให้ผลอย่างไรกรรมดีจะให้ผลอย่างไรหลวงพ่อจะแนะนำสักก่อนจากนั้นหลวงพ่อจะโค้งสุดท้ายหลวงพ่อจะพิธีการปฏิบัติพิธีจิตภาวนาจะแนะนําสั่งสอนบอกเก่าวให้ลูกหลาน ได้ฟังได้ศึกษาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นในะนาทีนี้นะนะโมตัสสะภควะโตอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติติวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลยิ่งหลวงพ่อได้มาพบกับคณะจทหายาตยมชมลมพศของพวกเราที่อุดรที่มีคณะ จัดขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลณโรงแรมโรงแรมเจริญโฮเต็ลแห่งนี้นะแต่เป็นห้องประชุมใหญ่สำหรับเป็นสถานที่อบรมาทางธรรมะพรทั้งหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมธนิยกถาให้กับคณะสถานญาติโยมลูกหลานได้ฟังที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าปฏิรูปรเทสวะโซจาร พวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในปฏิรูปประเทศประเทศอันสมควรในหลักพทธศาสนาท่านแปลว่าประเทศอันสมควรคือประเทศที่สมบูรณ์ไปด้วยขอน้ำโภชนาอาหารเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งในโลกพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะพวกเราเกิดมาถึงปู่นี้แล้วก็คงจะได้ยิน แบางประเทศกว่าน้ําท่วมบางหนาวบางร้อนบางหิมะตกหมากก็มากมายแต่พวกเราก็มีอยู่บ้างเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็อยู่ทางภาคใต้นะน้ําท่วมก็เสียหายอย่างวัดหลวงพ่อองเมื่อเดือนพฤศจิกายนะก็น้ําท่วมเสียหายแต่ถึงยังไงก็ตามทั้งจะเสียหายก็ยังไม่เสียหายมากเท่าไหร่เ อ, อแต่ไม่เหมือนต่างประเทศบางประเทศเพิงท่วมเข้ามาแล้วก็ตายเป็นบือไปเออ อย่างปัตต่างประเทศที่เราได้ยินบางที่หนาวก็หนาวจนตายร้อนก็ร้อนจนตายแห้งก็แห้งจนตายอดอยากจนตายแต่เมืองไทยของเราไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้เรียกว่าปฏิรูประเทสวาสโซจะปกเพจะกตะปุญจะตาเนี่ยพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตจึงมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้เกิดมาแล้วก็ได้อยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ แ ล, พพแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนานได้พบพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านสวรรค์คาลัยไปแล้วนะ่ะที่สวรรคตรไปรอเก้าพวกเราดูประวัติของท่านนะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเลนะิศพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยก็ได้อยู่ในต้มใต้ร่มเงา พระบารมีของพระ อ, องค์ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเและจากนั้นพวกเราได้มาเกิดแถบเมืองอุดรก็ได้มาเกิดใต้รองเงาของศิตธรรมขององค์หลวงตามหาบัวโดยมากท่านก็สอนศีลธรรมจริยธรรมให้กับพวกเราอีกพวกเราก็นับว่าเป็นผู้มีบุญอีกเหมือนกันมาได้มาเกิดในถิ่นนี้นะนี่แหละก ค, คงจะเป็นปฏิรูประเทวสว่าโซจะ ปุบเพจจากกตะปุญญาตาพวกเราได้คงได้ทำบุญไว้ในอดีตชาตินะ่พวกเราอดีตชาติชาติีแล้วเนี่ยเราไปทำบุญที่ได้การุเนอผู้ฆ่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าขอให้พวกข้าเกิดได้พบพระพุทธศาสนาอย่าไปเกิดในสถานที่อดยากให้มีอุดม์สมบูรณ์ด้วยขวน้าโภชนาอาหารอันนี้เราวปฏิรูปรเทสวะโซจากปุบเพจจากกตะปุญญาตา แต่เรามาเกิดขึ้นมาแล้วเราลืมตัวท่นี่ยอัตตสัมมาปฏิธิเนี่ยถ้าเราลืมตัวขึ้นมาเมื่อไหร่กิบหายนะเท่นี้นะลูกหลานทั้งหลายนะเพราะลืมตัวนะอพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวสเเัมมเลเทเมากินเหล้าเมาย า, าทําตนเป็นคนชั่วนะีออกจากชาตินี้ไปแล้วนะตกตำ่ำละเท่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบนะเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เป็นประเทศที่ว่ปฏิรูประเทศวะโซจกปุเพจักตะปุญยตาต่อเ น, นี้ไปเราควรจะตั้งตนไว้ชอบว่าอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบนะเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแต่เมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อก็จะจะเท้าความพาพวกเราอยู่ในเมืองอุดร น, นะอยู่ในใต้ลงเงา บุญบารมีขององค์หลวงตามหาบัวองค์หลวงตามหาบัวนี่ดังไปทั่วสุขสารทิศเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปปีนี้เป็นปีที่หปีที่หกนะนะ ล, ลูกหลานนะวันที่ส0มสิบมกราเนี่ยแปลว่า6ปีเต็มเนะลยหลวงต า, าจุตินิลพราานไปแต่เดี๋ยวนี้ ก, กำาลังจะสร้างกำลังคิดสร้างพระเยดีย์ขึ้นมา กำลังตอกจะตอกเสาเข็มในวันที่30ที่จะถึงนี้ละนี่แหละการสร้างเสาสร้างพระเจดีย์ถวายหลวงตาเพรา ะ, ะนั้นคณะัาาตหายาดโยมที่อยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดแล้วก็นะให้ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะเราอยู่ในเมืองอุดอรการสร้างพระเจดีย์เป็นของใครหลวงตาท่านอนุญาตไหมอันนี้กืคุณโม อ, อุดอรหลายๆคนก็มีความคิดนะแต่ตามไม่จริงหลวงตาท่าน ท่านก็ไปในวานะ่ะแต่ท่านอนุญาตไหมท่านก็คงจะไม่อนุญาตเหมือนกับหลวงพ่ออินนะี่ยนะหลวงพ่ออินก็ไม่เคยพูดนะถ้าข้าตายไปแล้วนะให้สู่เจ้าสร้างเจดีย์ใหญ่ให้ข้านะลูกหลานนะหลวงพ่ออินจะไม่พูดอย่างนั้นเลยนะถ้าพูดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วลูกหลานจะกระอักกระอวนขนาดไหนเลยทีนี้นี่ยลงตาก็เช่นเดียวกันนะั่นแหละท่านก็บอกหลวงปู่ขาวสวมควรสร้างเจดีย์หลวงปู่ฝั่นสร้างเจดีย์ ถ้ามีชีแก้วควรสร้างเจดีย์ท่านจริงท้องท่านล่านะท่านก็บอกแต่สําหรับเราอย่านะเนะีนะ่ยท่านอย่าละเพราะเราจะต้องหาทุนให้หาทองคําเข้าคลังหลวงนะนี่หลวงตาท่านบอกนะปฏิเสธจากงา น, นสําหรับท่านแต่นี้เมื่อท่านร่วงรับไปแล้วนะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังนะนะเพราะว่าเมื่อพ่อแม่เขาลงมรณะ ลงปู่ลงตาที่เป็นถูปรหาบุคคลที่ท่านจากไปแล้วนะพวกเราสมควรยิ่งที่จะสร้างสถูประเจดีขึ้นมาเพื่อบูชาพระคุณของท่านในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุพะพดดทธเจ้าท่านว่าถูปรหาบุคคลสีจ่จำพวกพระพุทธเจ้าพระปฏิเยกพระพุทธเจ้าพระรหันสสาบกพระเจ้าจากกักรพัฒด์สมควรที่จะสร้างสถูประเจดีถวายเพราะว่าเป็นผู้สมควร ที่จะสร้างสัทว์โกพระเยดียร์ถวายท่านสี่จำพวกนั้นแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยจัดเข้าว่าเป็นพระอรหันต์สาวกท่ลูกหลานนะเพราะท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านาท่านประกาศตัวของท่านว่าเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอ น, นันตการฮนะไม่มีพราท่านเข้าสู่นิพพานแล้วนะนี่แหละอันนี้เพื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คือกําลังรีเริ่มสร้าง คงจะเซ็นสัญญาวันพุ่งนี้แหละเซ็นสัญญาเสาเข็มนะก็จากนั้นก็ลงคงลงเสาเข็มจากนั้นก็ก่อสร้างจะก่อสร้างไปเรื่อยๆเนละมีไหมในการก่อสร้างพระเจดีย์ในครั้งพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าเคยปลารบไหมมีนะลูกหลานนะนี่หลวงพ่อจะเล่าเป็นชาดกเป็นนิทานให้ให้ฟังนะสมัยครั้งพธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเรา มีพระเถระองค์หนึ่งชื่อชื่อว่าพระกุลทักพัยะนะกุลพระพัิยะนีนเสียงไพเราะนะไปะเทศนานว่าการที่ไหนคนฟังแล้วจับใจลึกซึ้งในธรรมเสียงไพเราะเสียงพอเหมาะพอดอีแต่ว่าตัวเตีย้ย เ, เป็นพระเถระแต่ตัวเตีย้ยตัวเล็ก สมัยหนึ่งพระพุทธองค์จะเดตประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีปัดป่าเชตตะวันมหาวิหารวันหนึ่งพระกุณฑพัทยะเนี่ยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตอนเช้านะตอนฉันยังหันเสร็จเพอไปกราบเสร็จแล้วก็ท่านก็รับฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าจากน้มีพระอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเดินเข้ามาตามน่นตามทางที่ทางเข้าไปกุฏิพระพุทธเจ้า พอเดินเข้าไปพระพัติยะกุลท่พัติยะเห็นพระเถระ30มสิบองนะเดินเข้ามาพระกุลท่าก็เลยเห็นว่าพระองค์คงจะรับแขกมู่ใหญ่30องค์นั้นภาระของตนก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าจบแล้วนะก็เลยกราบพระพุทธเจ้าพอการาบเสร็จแล้วก็เดินลงไปพอเดินลงไปผ่านพระภิกษุเหล่านั้นน่ะพระภิกษุเหล่านั้นสามสิบองนะพอเดินผ่านไปพระ เหล่านั nan เอามือขยุ่มหัวใช่ไหมขยุ่มหัวเอพระเถระพระกุณฑะพริยะเนี่ยโอ้สมณเณรน่ารักหน้าตายิ้มกรยิ้มยิ้มย่องแล้วเกิ น, นหน้าตาเอิบอิ่มแล้วก็ด้านเดินไปผ่านเอ็เอามือขยุ่มหัวขยุ่มหัวไปเรื่อยอยางนั้นเถอะพอมันโตเตี้ยเนี่ยใช่ไหมล่ะเหมือนกันเด็น้อยแบบเพียงเอวเนีเอยขยุ่มหัวไปเรื่อยพระเถระเจ้ยแล้วไปเดินผ่านไปพอจากนั้นขึ้นมาท เ, เนี่ย พระเหล่านั้นก็ขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าพอกราบเสร็จแล้วพระพุทธองค์ถามว่าพวกเธอทั้งหลายเห็นไหมพระเถระเดินผ่านลงไปสักครู่นี้พระสงฆ์เหล่านั้นไม่เห็นกระผมอา้าวเดินผ่านไปนวมิจูเกียพวกเธอไม่เห็นเหรอไม่เห็นพระเจ้าขา่าเห็นแต่สมมณเณรอา่าเห็นแต่สัมณเณร น, น้อยกระผมนั่นแหละพระเถระะไม่ใช่นะกระผมเป็นสมมณเณรนั่เน้อยนั่นแหละพระเถระ เอาทำไมท่านจึงตัวเตี้ยนักพระเจ้าคาพระองค์บอกว่ากรรมกรรมในอดีตมันกรรมอะไรหนอพระเจ้าคายพระเถระจึงตัวเตี้ยอย่างนั้นพระองค์บอกว่าในอดีตจา ก, การพระเถระพระกุลทพัพพัิยะนี่เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะคือในพัฒกับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะลูกหลานนะมีกากุชันโธองค์หนึ่งโกณคขมโนองค์หนึ่ง กัจบโปองค์หนึ่งโคตโมคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโคตโมและก็พระอริยะเมตตโย ค, คือพระศรีอานน่ยคือพระศรีอานคือพระอริยะเมตตโยองค์ที่5นะ่ะอาจะต้องเกิดอุบัติขึ้นอีกอันนี้คือพระพุทธเจ้าของของเราโคตโมนะแต่ว่าองค์กรพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกัจบโปลนะ่กัจบโผล่กัจโผล่สิริสัมปนโนนะเกิดบโผล่พระพุทธเจ้าเมื่อท่านปรินิพานลงไปแล้วเนี่ย เหมือนกับหลวงตามหาบัวนี่แหละพระริเนปานลงไปแล้วนี่ลูกศิษย์ลูกหากันเยอะใช่ไหมละ่ะแต่นี้มีทั้งกษัตริย์มีทั้งพรามณมีทั้งเศรษฐีก็ปรึกษากันอะไรแต่นี่เอเราจะสร้างพระเจดีย์ตวเพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราจะทําใหญ่ขนาดไหนไอ้พวกเศรษฐีทั้งหลายก็บอกโอ้ยพระพุทธเจ้าต้องทําใหญ่ลนะทางด้านเหนือต้องเป็นยอด เกือยยอดหนึ่งสี่ร้อยเซนใช่ไหมด้านและยอดสด้านเออสูงกระ น, นึ่งยอดอา่ากว้างด้านและยอดแต่ลคนก็แตกมีความเห็นแปกแตกต่างกันท่นี่พวกที่โจรก็โอ้โหเจ้าเงินที่ไหนมาสร้างด้านและยอดครือขนาดเอาเงินที่ไหนมาสร้างมันก็ไม่เสร็จง่ายสร้างแล้วไม่เสร็จอีกต่างหากแล้วใครจะเป็นคนดูแลรักษาละ่ะใหญ่ขนาดนั้นเนะ ทีนี้ก็คนก็แตกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มเศรษฐีเขาก็จะว่าทําให้ใหญ่ให้สวยให้งามหรูหราโออาร์เหมาะสมกับพระพุทธเจ้านะเนี่ยทีนี้ก็มาลงมติกันเนะี่ยมตีกันก็นี่แหล ะ, อะไอ้ระคุนท้า พ, พัติยะเนี่เอเป็นฝ่ายคัดค้านบอลไป เ, เป็นฝ่ายคัดค้านอบอกว่าไม่ควรจะสร้างใหญ่หรอกเพราะสร้างใหญ่ขึ้นมาแล้วรักษายากอไม่เสร็จง่ายอีกต่างหาก นานเท่าไหร่จะได้กาบได้ไหวเลยสร้างขนาดพอเหมาะเนี่ขนาดเล็กๆนี่ก็พอแล้วเอาลงมาตีกันเถเนี่ยก็เลยสาวเสียงลงคะแนนกันเหมือนกับลงเสียงคะแนนผููแทนลักษณะอย่างนั้นแหละตอนนี้พอทรงเข้ามาคนจนกับคนรวยใช่ไหมมันคนจนมันมากกว่าคนรวยเถนี่ยคนรวยมันก็สู้ไม่ได้เถอะนี่อคนจนเนี่ก็เลยชนะนี่แหละกุนทพัพพัทยะเนี่เป็นหัวหน้าหมู่เถอะนีย เออเป็นผู้ชนะปะกันนะเออชนะให้ทำเล็กไม่ต้องทำใหญ่จากนั้นก็เลยก่อสร้างขึ้นมาพอก่อสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วแตน่นี้ก่อเนั่นแหละพอพระกุณฑพัิยะตายจากชาตินั้นมาเนะ่เกิดพบไดชาติใดเตี้ยตลอดเลยบาัานเนี่เพราะอะไรเพราะตัวเองไปคัดค้านใช่ไหมเขาจะสร้างให้ใหญ่ให้สวยให้งามตัวเองไม่ไปคัดค้านเขาเออเกิดมาพอใรชาติไดเตี้ยตลอดเลย จนได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เลยมาชาติได้เป็นชาติจุดท้ายได้เป็นพระรหันต์ตัวเตี้ยยนยังเป็นสมเณ็อยู่เ อ, อพระทั้งหลายได้ขยุ้มหัวเหมื น, นี่ยเดินเดินผ่านโอ้สมเด็ทําไมหน้า ย, ยิ้มกยม็ยิ้มยิ้มย่องนักเออหน้าตายิ้มยิ้มลิ้มดีนะ อ, อพระทั้งหลายเอามือขยุ่งหัวเล่นเหมือนกันเะ น, นี่แหละพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละคือพระเถระเนยท่านมีบาปกรรมในอดีตชาตินะเพราะนั้นผู้ใดก็ตามนะ เออที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยผู้ใดไปคัดค้านไว้เอาอย่างนู้นเอายนระวังหลวงพ่อว่าบาปกรรมจะตามสนองเออเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเออต้องต้องคิดดูให้ดีหนหลวงตาไม่ใช่ธรรมดาคือหลวงตาคือพระหันหลวงพ่อเตือนเอาไว้นะจะพูดอะไรต้องระวังกันนะ มันเป็นมาได้ในครั้งพุทธกาลให้พวกลูกหลานได้ไปศึกษาดูก็แล้วกันไม่ลงพอ่อไม่ใช่ลงพ่อพูดเป่าๆพูดยกมาพูดเล่นๆไม่ใชนะ่มาในพระไตรปิฎกเลยแหะเนี่เรื่องนี้นะมาในธรรมปฏิทกาาักกถาพระกุณพระพัติยะไปศึกษาเอาได้เลยในพระมหาเถระใน8ปสิบองค์นั่นแหละเนี่ยองใดองหนึ่งใน8ปสิบองค์นั้นนี่แหละพระเถระองค์นี้ะแหละในรับเอทะคะเป็นผู้เลิศกว่าพิสูจน์ทั้งหลาย เป็นผู้มีวาทะเสียงไพเราะนะในบรรดาลูกศิษย์ของตถาคตนะแต่ว่าตัวเตีย้ยอันนั่นแฝงในละหลวงพ่อว่านนะไอพ้พวกคนพวกใดพูดผู้ใดก็ตามเกิดมาตัวเตีย้ยเตี้ยทุกวันนี่ครคงจะยกมืออย่างนั้นแหละยกมือให้เขาเงินเสนะสนับสนุนตะขาวนุนกับมังนะเพราะฉะนั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลายทุกคนนะไปฟังเอาไว้นะเอเพราะนั้นเรื่องบาปกรรมมันมีจริงนะ ที่ทํำสิ่งไหนกรรมไหนจริงมันไม่ดีกรรมนั้นจะตามสนองถ้าทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองแต่อ ก, กตังดุกตังเสยโยปัชชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ลูกหลานคณะต้องทาติโยมฟังเอาไว้ แต่ท่านพระกุณฑะปฏิยะท่านก็ไม่ใช่ทํากรรมชั่วความเห็นของท่านไม่ใช่ว่าความชั่วนะเป็นความเห็นท่านกลัวว่ามันจะเมื่อสร้างเสร็จแล้วมันจะนานเสร็จมันจะ เ, เกินไปแล้วก็ใหญ่เกินไปรักษายากลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ลืมคิดว่าพาระเจดีย์จะรักษาพาระเจดีย์เองเ อ, อย่างหลวงพ่อเคยพูดนะวันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้พูด พวกหลักลานจะไปคิดนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเน่ะใครจะรักษาใหญ่โตขนาดนั้นหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยพระเจดีย์จะรักษาพระเจดีย์เองเมื่อคนเข้ามาเขาก็ต้องเอาเงินหยอดตู้หลวงพ่อนกลัวเหลือเกินกลัวพวกที่ดูแลพระเจดียนะ์พูอ ด, ดูแลพระเจดีย์ดูตู้เซฟนั่นนะพวกนั้นจะเอามาเอาเงินมาแบ่งกันเถอะเออ นั่นแหละให้พอสร้างพระเจดีย์เสร็จแล้วให้ปลูกต้นโพไอเยอะๆนะหลวงพ่อว่ากันนะพ่อพอเหตุไรพ่อว่าพวกเปรตทั้งหลายจะได้แขวนต้นโพนออนั่นแหละเพราะพรมันบาปมันกรรมได้กินเงินเจ้าพระเจดีย์ใช่ไหอพอกินเงินพระเจดีย์เสร็จแล้วมันไม่ไม่ไปไหนเดี๋ยวนี้ไปแขวนอยู่ต้นพเดี๋ยวนี้หลอมหลอกพระเจดีย์นะพราะเหตุไเพราะบาปกรรมให้ผลเป็นเปรตใช่เพราะนั้นไม่ต้องห่วง เรื่องพระเจดีย์ของหลงตาเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะไม่มีใครดูแลรักษานีพระเจดีย์จะรักษาพระเจดีย์เอง น, นี่แหละหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะลูกหลานนะอันนี้ก็คือให้ฟังเอาไว้เป็นแนวความคิดเพื่อการศึกษาเหมือนกันเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนากรรมคือการกระทํานีถ้าไทยใครทํากรรมดีไว้กรรมดีก็จะตามสนองถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองนะขนาดพระ กุณฑะพระทิยาเน่ยถ้าท่านเป็นผู้คัดค้านพระเจดีของพระพุท ธ, ธเจ้าเท่า น, นั้นเองท่านก็ยังได้รับบาปกรรมตัวเตี้ยตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายจนได้เป็นพระหัน์นี่ยแต่บางคนกขาบอกเตัวเตี้ยกว่านี้เพราะอะไรเพราะได้ตัดกางเกงก็ตัดตุ๊กเล็กเล็กก็เวลาเผาผมก็ต้องไม่ใช้ผ้าผมพื้นใหญ่ฮะ เ, เ, เวลาเข้าป่าก็มุด คนอื่นโคงแข้งเน่ตัวเองก็บมดรถปั๊บไปได้ตัวมันเล็กใช่ไหมแต่เสียเปียกจะลงน้ำทนเท่านั้นหละหงพ่อว่าน่ะพ่อเขาเดินไปตัวเองลุยแล้วงินลอยแล้วเันนี่แหละแต่เสียเปียกนะอันนี้หลวงพ่อพูดเป็นแนวความคิดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่นี่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนั้นเรื่องทานนะลูกหลานนะเรื่องทาน ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเรื่องพระกุณฑาปิยะเรื่องแสดงการทำทานและก็ศีลคือกฎและเบียบนะคือรักษากายวิาจาให้เรียบร้อยเนะ่ชื่อว่าศีลแต่เรื่องสมาธิเนะี่ยหลวงพ่อเองอยากจะแนะนำบอกกล่าวให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะนะเพราะว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตานะมหาบวัวนะลูกศิษย์หลวงปู่ขาวนะลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ หลายหลาองค์เออเป็นสรุปแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเน้นหนักจุดยืนของหลวงปู่มั่นเออให้ดีนะลูกหลานนะเพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นเดินตามแนวแถวของพระพุทธเจ้านะแต่องค์อื่นเดินตามให้เดินตามแต่ว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยที่พวกเราได้ศึกษาเนะี่ยเพราะหลวงพ่อเองก็อยู่ ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองศึกษามาสายแนวแถวหลวงปู่มั่นและลูกหลานนะอยู่กับหลวงปู่ล่าเนี่ยกัเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่ที่บ้านหนองผือนาในเป็นเวลาถึง5้ปีโค้งสุดท้ายของหลวงปู่มั่นออกจากบ้านหนองผือนาในหลวงพ่อก็เป็นเนนหลวงปู่ล่าถึง8ปีและก็เป็นพระอีก1นึ่ษพนสอยู่กับหลวงปู่ล่าเนีเก้าปีจานั้นมาอยู่กับหลวงปู่จามอีกเป็นหลวงอาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกและหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่แหวนอีก สุจินโนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นลกูกศิษย์หลวงปู่มั่นเองจากนั้นก็หลวงพ่อก็มาอยู่กับองค์หลวงตามหาบววตั้งแต่ปี2512นะจนถึง2525นะที่หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่าพัานตากเป็นเวลา13เกือบ14ปนะีเพราะนั้นหลวงพ่อจะไปพูดเรื่องสายอื่นเออ oh. มันไม่น่าจะถูกเหมือนกับหลวงพ่อนี่เรียนวิชามาัดวิชาธรรมนานะพูดง่ายๆนะ สรุปให้ลูกหลานได้ฟังว่าพิชาทำนาวิธีทำนาทำอย่างไรหลวงพ่อบอกวิธีทำนาเพราะหลวงพ่อเรียนมาทางนี้นะถ้าว่าปลูกหนึ่งวิธีปลูกสวนยางยางพาราทำอย่างไงเขาก็ต้องสอนวิธีปลูกสวนยางใช่ไหมวิธีปลูกข้าวโพดวิธีปลูกมันจำปรังเนีวิธีเลี้ยงสัตว์วิธีเรียนกฎหมายวิธีพิชาอาชีพตำรวจทหาร พ่อค้าขายน้ำมันอะไรมีมากมายขายของชำนะล้วนแล้วแต่เป็นวิชาอาชีพทั้งหมดได้เงินไหมได้เงินทุกทุกวิชาอาชีพถ้าทำนาขายเข้าก็ได้เงินถ้าขายอะไมากๆก็รวยอีกเหมือนกันทำสวนยางก็รวยอีกเหมือนกันถ้าทำน้อยก็อย่างวานะไม่พออยู่พอกินนะนี้ก็เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่อง แนวแถวสายลหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรเนี่ยแต่ในหลวงพ่ออดไม่อดคิดไม่ได้เถอว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเดินตามแนวแถวของพุทธะไหมแต่มันต้องเบิงดูบรมกครูอีกนด้่านนี่บอลมครูคือพระพุธทธเจ้านะเออบรมครูท่านปฏิบัติอย่างไรเอันนี้ให้ลูกหลานศึกษาเถอนี่หลวงพ่อจะชี้ประเด็นเรื่องพระพุธทธเจ้าก่อนนะเมื่อพระพุธทธเจ้าออกทรงผนวชนะไปบวชอยู่ใน ป่านะออกจากเวียงวังนะไปอยู่ในป่าถึงหปีไปบวชเป็นเป็นนักพรตนักวบวชบำเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีอดภักกายอาหารถึงสี่วันแล้วก็ทําพิธีกรรมมากมายเป็นการฝึกแล้วไปเป็นการทดสอบทดลองเหมือนกับท่านไปทดลองปลูกปลูกข้าวปลูกต้นไม้ วิธีการเกษตรอย่างนั้นแหละแล้วว่าวิธีการอย่างพวกนาซาเขาอย่างนี้เหมือนกันน่ะเขาวิธีการทําจรวดดาวเทียมขึ้นสู่ดาวอังคารดาวพระจันทร์เป็นยังไงนี่อย่างนี้แหละแต่พอเขาสําเร็จขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเออเขาสําเร็จขึ้นขึ้นพระจันทร์ถึงแล้วถึงดาวพระอาคารแล้วนี่อันนั้นคือคือสำเร็จของเขาอันนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่ ท, ที่ที่ท่านไปบําเพลนอยู่ในป่านะ ทดสอบทดลองอยู่ทังนั้นถึง6ปีทนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่คืนวันที่ได้สำเร็จนะั้นเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงการทดสอบทดลองนะนะันเป็นเวลา6ปีนะันเพราะมันเป็นเรื่องของท่านท่านทดสอบแต่สูตรสำเร็จที่ได้ด้สำเร็จวันสำเร็จนะท่านทำสำเร็จอะไรนะอันนี้จุดนีนะ้เราต้องศึกษาเลยนะีนย่วันที่ได้สำเร็จนะท่านบอกว่านะ วันเดือนหเพนวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังยังไม่รับเขานะเอ่อยังมีแสงสว่างอยู่นะวันนั้นนายโสติยะคนในละแวกนั้นอนะ่ะไปเกี่ยวยหญ้าคาไปตัดหญ้าคาจากนั้นเขาก็นับมัดเป็นกำกำมาเขาก็หาบมาหาบผ่านมาเนอะ่อใครเขาหาบาหญ้าคาผ่านมาพอผ่านมามาเห็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยศิทธฐานนะ่ะนั่งอยู่ตามลําพังหยก อยู่พุทธที่ต้นโพพุทธกยาเนะ่ยถ้าเราไปประเทศอินเดียเราจะเห็นที่ต้นโพพุทธกยานะแต่ในท่านเห็นจิตถะนั่งอยู่ตามลําพังก็<อ>คงจะทั่งไม่สบายนะคนเห็นกันคนนิสัยถูกกันนะพอเห็นกันอยากจะช่วยเหลือได้ไหมอันนี้แปลว่าผู้นิสัยถูกกันนิสัยตรงกันนะพอเห็นแล้วออยากจะช่วยก็เห็นตัวเองมีญากาอยู่ ข้างละสี่กำ ม, มือนะเป็น8ปดกำ ม, มือนะก็เลยไปมอบให้ท่านสิทธัตถะเออท่านเนี่ยยาคาผมเอามาผมมอบให้ท่านให้ท่านปูนั่งแบบสบายๆทั้งที่ตัวเองไปตัดยาคาทั้งวันไนงะพอเห็นหาบมาแล้วก็เห็นก็มอบให้ท่านสิทธัตถะนะท่านสิทธัตถะได้ยาคา8ดกำ ม, มือเนะี่ยท่านก็ลากไปไปหามุมนั่งไปหามุมนั่งทางทิศตะวันออกของต้นโพ พอได้ที่นั่งเสร็จแล้วท่านก็เอาย่าขาสกํามือนะเกลี่ยลงไปทางด้านหนึ่งจากนั้นท่านก็เอาหัวประสานอีกด้านหนึ่งเกี่หางมาประสานกันให้เป็นอาสนะนะแปลว่า8กดกำมือข้างละสกํามือจากนั้นพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งนั่งขัดสมาธิจากนั้นพระ อ, องค์ก็เอามือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าฝังเอาหน้าลูกหลานนะจงนี้ยนะ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 ภายภาคหน้าให้สติมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนะขณะนั้นนะนี่แหละให้พวกลูกหลานฟังเอาไว้นะคณาตถาโยมญาติโยมฟังแล้ววิธีปฏิบัติภาวนานะให้สติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนะไม่คิดถึงอดีตไปทิศถึงอนาคตนะจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ไวแปลว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก จากนั้นพระไทยใจของโป่งคือความรู้สึกนึกคิดของโปองรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญานรัศน์เกิดฌา น, เ ก, านเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นเกิดความรู้พิเศษที่ผู้จิตใจมันรวมเป็นหนึ่งและลึกชาติทนหลังได้และลึกชาติทนหลังได้เออเรามาจากไหนอ่ะออท่านก็โอเรามาจากสวรรค์ชั้นรูสิ กำลังจะขึ้นไปสวรค์สู่สวรรค์ชั้นอื่นเราได้ลงมาเกิดถือปฏิสนธิในคันพระมารดาแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปอยู่สู่สวรรค์ชั้นดุสิตเรามาจากไหนท่านก็เลยเล้เออเราเป็นพระเวชสันรดอนชาติไมนะั้นเราทาทานเราจึงได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่บนสวรรค์ตองนั้นพระองค์ก็ไล่เลียงไปราโอชาติยาวเหยียดเลยเพราะนั้น หลักของพุทธศาสนาลูกหลานพูดได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกออไม่สูญนะตายแล้วเกิดอ อ, ออกจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าอีกจากนั้นพระ อ, องค์ดูพระ อ, องค์เองดูอดีตชาติของพระ อ, องค์เองยาวเหยียดแต่หน่โ อ, อ, อ้เหมือนกับเรานั่งอยู่เดี่ยวนี่นะลูกหลาน เ, เราเราเลึกถึงดูสิมาจากไหนมามานั่งอยู่ตรงนี้นะ นึกไปเมื่อวานนะวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนอปีก่อนก่อนอีกอจนระลึกจนถึงเราจำความได้นะมันยาวขนาดไห น, นี่ยนนี่แหละอันนี้ก็คืออดีตแต่พบพุทองค์มีมีความรู้พิเศษขึ้นไปอีกระลึกชาติข้ามภพข้ามชาติไปอีกท่นานในชาติที่แล้วไปอีกแล้วก็เป็นหลายๆชาติอีก แังไงวะปลุกเพนิวาสานุจติยานรละลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนทีเนี่ยท่านก็มองคนอื่นอย่างที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยมองดูลูกหลานคณะสัตยาญาดโยมเอ๊ะทําไมคนพวกลูกหลานทําไมรูปร่าง ก, า, า, กางตัวก็เป็นคนอยู่แต่ทําไมไม่เหมือนกั น, นคนหนึ่งเป็นรูปร่างอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นรูปร่างอย่างหนึ่งท่านก็มองเข้าไปเอกคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งไม่ฉลาดคนหนึ่งพิโกงพิการ คนหนึ่งร่ำรวยคนหนึ่งยากจนเอทำไมคนเกิดมาแล้วทำไมไม่เหมือนกันท่านมองไปอีกแต่ละคนอีกะแยกคนอีกแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเพราะอะไรพอมองโดยแลกกำคือการกระทำถ้าว่าใครใครทากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะให้ผลต้องไปในทางชั่วถ้าใครทํากรรมดี กรรมดีจะให้ผลไปในทางที่ดีเออเพราะนั้นคนที่แตกแตกต่างกันเพราะกรรมเป็นผู้จำแนกเออกรรมเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันอันนี้หลวพพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วท่นี้ท่านก็เลยบอกว่าอา ก, ต ก, กตยยาัตังดุ ก, กตังเสยโยปัจชาตะปฏิดุกตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสีเลดีกว่า เมื่อคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละท่านมองเห็นกรรมกรรมของสรรพสัตว์เพราะนั้นและลูกหลานการเป็นอยู่ของเตเองว่จะทำสิ่งไหนลงไปต้องคิดดูให้ดีก่อนนะกรรมในการกระทำก็คือทำได้สามทางกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือคำพูด มโนกรรมคือความคิดนะเนี่ยความคิดก็เป็นบาปนะลูกหลานนะถ้าคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแนละ้วทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนระกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูตรอันนี้แปลว่าคิดชั่วแล้วนะทีนี้เมื่อคิดชั่วลงไปแล้วนะกรรมชั่วจะให้ผล น, นะทีนี้แต่เมื่อการกระทําลงไปทีนี้ฆ่าซัดขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเออแล้วโกโก้แล้วก็กินดื่มสุราอันนี้แปลว่า การกระทําวจีกรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาพูดเพลเย่อพูดหาสาระประโยชน์ไม่ได้พูดยุแยงกระแทงให้เขาแตกทะเลาะวิวาทกันหาความชั่วให้คนอื่นหาเรื่องหาราวใส่คนอื่นเขาโกหกพกลมคนอื่นเา้าอันนี้แปลว่าวจีกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการกระทำกรรมการกระทําทําได้สามทางมโนกรรมคือความคิด กายะตามกายยกรรมคือการกระทําวจีกรรมคือคํำพูดแต่ถึงยังไงก็ตามมโนกรรมสําคัญกว่าในหลักของพุทธศาสนามโนกรรมสําคัญกว่ากายยกรรมวจีกรรมถ้าหากว่าเราคิดดีการกระทําออกไปมันก็ต้องดีการพูดออกไปมันก็ดีถ้าคิดชั่วการกระทําออกไปการกระทําออกไปมันก็ชั่วการพูดออกไปมันก็ชั่วนีท่านจึงว่ามโนปุพัง ข้ามาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นคนเราเนี่ยมันต้องออกไปจับใจซะก่อนจึงการกระทำและการพูดเพราะนั้นหลักของพระไตรสิฎนท่านในความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะลูกหลานคณะทศทายญาตโยมนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายนะ่โลกทุกวันเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของกาย มากกว่าเรื่องของใจเพราะเหตุไรอย่างใจนี่ยความนึกคิดเนี่ยเขามองไม่เห็นเ้ามองไม่เห็นว่าเรื่องของใจเนี่ยคือว่าสมองเขาว่าสมองทนะ่นแต่ตามไม่จริงสมองเนี่ยก็ใช่สมองเนี่ยคือตัวนึกคิดแต่คนที่ตัวที่มาใช้สมองนะ่ยคืออะไรนะ นี่วิทยาศาสตร์เขามองไม่เห็นจุดนี้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนมองเห็นแล้วนะท่านศึกษาท่านมองเห็นแล้วใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านจะให้ความสําคัญเรื่องของใจในหลาเรื่องภาวนาภาวนาเรื่องของใจท่านเนี่ยจะทํายังไงถึงจะจิตใจให้สงบพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นนะั้วเนี่ยปุปุตูปุตูปปาทาญาณการจุติของสรรพสัตย์ พอจวนสว่างท่านก็ได้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วว่าอาสาวกยญาณตัดกิเลสในภายในจิตใจของพระองค์แต่นี่มาพูดถึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นเถนี่กับสายหลวงตาของมหาหัวงมันเกี่ยวหลวงปู่มั่นนะทำถูกไหมหลวงปู่มั่ น, นท่านสอนว่านะลูกหลานเ น, นี่นำมาปฏิบัติได้เลยท่นี่ที่หลวงพอ่อหลวงตาหลวงพอ่อได้ศึกษามาเนะี่ยท่านก็สอนว่า วิธีเวลาก่อนนอนลราไหว้พระก่อนนะไหว้พระอรหังสวากาโตสุปฏิปโนจารณ ก, น, น, กนโมตตะพระเขาวาโตถ้าเราได้สวดมนต์มากก็พูดมากก็ได้ถ้าว่าไม่ได้มากก็ว่าอรหังสวากาโตนโมตตะเพียงแค่นี้ก็พอนะเอานโมตตะพระเขาวาโตจากนั้นก็นแผ่เมตตาแต่เพศแผ่เมตตานี่อย่าลืมนะเนี่ยอันนี้สายหลงปูม่มันนะ หลวงพ่อเป็นเด่นน้อยอยู่ในป่าดงพงไพรอยู่ในถ้ำองค์เดียวอยู่ในภูผาอยู่ในปา่าลึกอยู่องค์เดียวกุฏิองค์เดียวท่านต้องไผ่แผ่เมตตานะถ้าคนแหมแผ่เมตตาแล้วไปอยู่นัสถานที่ใดผีก็ไม่หลอกไม่หลอนเว่ า, านะเทวดาก็ให้ความเคารพยำเกรงให้นึกในใจว่าข้าไปเจ้าจงเป็นสุขท่านผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆทุกดวงใจ ข, ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเทินนะอันนี้คือแผ่เมตตานะถ้าคนแผ่เมตตาและอยู่นักสถานที่ใดอยู่เป็นสุขนลูกหลานนะับเราไปนสถานที่ใดก็ตามนะไปป่นเปลี่ยนสถานที่ไปหลับนอนที่ไหนก็ตาม ถ้าเราไปแล้วเรานึกกลัวนะ่ยให้เราไหว้พระพราะเราไหว้พระเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาอย่างที่หลวงพ่อได้พูด อ, อดวงวิญญาณทั้งหลายจะเป็นมิตรเป็นสหายของเราทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาในจิตใจ น, ะนี่แหละเวลาเราไปนักสถานที่ใดให้มีเมตตาแผ่เมตตาเดิอนะอันนี้คือหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนออหลวงหลวงพ่อนะ อ, อจากนั้นก็เวลาเรานั่งสมาธิเมื่อเราไหว้พระเสร็จแล้ว เราก็นั่งขัดสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้านั่ง เ, เราปูที่นอนเสร็จแล้วก็นั่งหาที่มุมสงบนะ เ, เราอยู่ตามลําพังไม่ต้องอยู่ในที่คุกคุ่นวายในห้องของเรานะอยู่ในมุมสงบแล้วก็ปูอาสนะเสร็จแล้วเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือซะก่อนปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนะเราต้องไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าซะก่อนพุทธโธ ธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามจบเราทําไมจึงไหวครูเพราะว่าการที่นั่งภาวนานไม่ใช่เราคิดได้คิดเอานะไม่ใช่ครูบาอาจารย์เป็นผู้เนีย่ยบอกให้ฟังพระพุทธครูบาอาจารย์ก็เป็นเอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าน่ยบอหลุมมครูเนี่ยท่านจึงท่านให้ให้ให้ภาวนาเนีจึงท่านจึงให้เน่ยกรร เวลาเราจะภาวนาจึงไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพุทโธธรรมโอสังโฆสมจบจากนั้นเอามือลงพออมือลงท่านกําหนดลมหายใจเข้าให้บริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธ น, นนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนลูกศิษย์สอนหลวงปู่เขาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนที่หลวงพ่อไปหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าให้ภาวนาสำทับกับพุทโทนะ ถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยมันหลุดมันหลงมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายทำไมเอ่มันเผลอได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายให้บริกรรมกับพุทโธเนี่ย เ, เวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุโทพโธพุทโธนี่แหละยึพดพุทโธเป็นหลักเนี่ยาจากนั้นใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วนั่นแหละ ท, ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบในจิตในใจไม่มีจิตใจมันมันมันวุ่นจิตใจมันปุงฟุ้งซ่านมันเป็นทุกข์นะลูกหลานนะบางทีคนคิดมากๆเนี่ยตาแดงเข้ามาเนี่ยทุกข์อกทุกข์ใจหัวจะแตกแต่จิตใจสงบเนะี่ยเราไม่เคยรู้นะถ้าว่าในหลักของพุทธศาสนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งไม่ต้องคิดต้องปรุงจิตใจนิ่งนี่แหละ นั่นแหละวะนัททีสันติประรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั่นในลูกหลานทั้งหลายนั่งภาวนานะก่อนหลับก่อนนอนเป็นสิริเป็นมงคลแล้วฝึกหัดไปเรื่อยๆนะแต่บางคนกับภาวนาเนมันไม่อยู่นะหลวงพอ่อจะทําทยัางไงพอนั่งภาวนาไปมันสลับนู่นสลับนี้สลับดิหลวงพอ่อก็เลยบอกแนะนำเองว่าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเอาให้กําหนดดูนะลูกหลานนะ สัจธรรมญาติโยมนะให้กําหนดลมหายใจเข้าให้นับตัวนะเพราะเราชํานิชํานาญในการนับแต่ละวี่แต่ละวันเรานับเลขนับเงินอยู่ตลอดเวลานะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปถึงร้อยนะถ้ามันเผลอเลยกลับมานับหนึ่งใหม่นะอย่าไปทับต่อเพราะเราจะได้รู้ว่ามันมันเผลอที่ตรงไหน เออแล้มันเผอมันเผือยังไงหลวงพ่อเน่ยมันเผอตรงที่เวลาหายใจเข้าหนึ่งเออเหล็กขี้นะลูกหลานนะเวลาหายใจออกคู่สองขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่เออแต่พอมันจะเผอเนี่ยมันจะเบอร์เบเอร์กันเสยก่อนพอเบอแล้วมันก็มันนทีนี้มันจะคู่ขี้นะทีนี้เออมันสับกัดพสลับกันแล้วมันคู่ขี้เออมันไม่ใช่ขี้คู่นะทีนี้เพราะมัน คู่ขี้จไม่ได้เผลอแล้วเรากลับมาใหม่อีกตั้งตั้งหลักให้ให้แน่นอีกเอพอตักหลังให้แน่นอีกทีนี้เออมันก็ยังเผลออยู่นั่นแหละต้องพยายามอย่าไปฉลาดใจนะลูกหลานนะอถ้าว่าเผลอบ่อยๆมันไม่เป็นผลดีนะคนขาดสตินะเอเผลอๆจะเป็นบ้าเป็นบ้องเป็นบ้าบอๆง่ายๆเหมือนกันนะเพราะฉนั้นเราต้องพยายามฝึกให้เข้มแข็งขึ้นมาอีกน ต่อไปจิตใจของเรามีสมาธิดีแล้วนะ จ, จิตใจจะเยือกเย็น จ, จิตใจจะมีความสุขสติของเราจะทันขานความรู้สึกนึกคิดนะนี่แหละวิธีการฝึกนะมันต้องฝึกในหลายแนวทางในะลูกหลานคณะสัตายา จ, จมในวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องวิธีการภาวนาให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาก็เราได้พูดเรื่องกรรมคือการกระทาเบื้องต้นนะพวกเราคิด คิดให้ดีเมื่อคิดดีและททำดีแล้วก็พูดดีนะอย่างพระกุณฑลปฏิญาท่ะนะทานคิดได้คิดทำคิดได้เอาง่ายๆแต่ไม่ได้คิดหาเหตุผลเหมาะสมไม่สมไม่ถูกต้องขนาดพระพุทธเจ้าแท้ๆนะ่ยต้องทำให้ดีให้เหมาะสมกับองค์ท่านเราจะไปคิดได้อย่างหัวใจของเราได้ยังไงเพราะนั้นท่านจะได้รับกรรมกรรมคือการคิดของท่าน เกิดมาพบใดชาติใดตัวท่านจึงได้เตี้ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านทําคิดไม่ดีในในพบนั้นชาตินั้นติดพบติดชาต์มาจนธาตุจนธาตุชาติจุดท้ายนะนี่แหละสิ่งไหนก็ตามที่เราทําออกไปพูดออกไปกับไวยวุฒิกดีคุณวุฒกดีพ่อแม่ก็ดีเราต้องสํารวมระหว่างนั้นลูกหลานนะจะไปพูดให้พ่อให้แม่ก็เป็นไม่ได้นะพ่อแม่เป็นพระรหัน์ ของบุตริดานะแต่บางคนก็ถามลงเพราพอโอ้เราจะมายกพ่อแม่ของเราสูงเกินไปหรือเนี่ยยกเหมือนพ่อแม่เป็นพระหันอ้าท่านก็บอกไรแล้วเนี่ยบอกโดยตรงๆแล้วเลยพ่อแม่เป็นพระหันของบุตริดานะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพระหันของทุกคนไม่ใช่พ่อแม่ของเรามีกี่คนล่ะพ่อแม่ของเรามีือมีสองคนพ่อกับแม่นะเนี่นแหละพระหันของบุตร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 พวกเราต้องคิดนะอันนี้วัยยวุฒิคุณนวุฒในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไวหมด น, น, นลูกหลานนะสรุปแล้วให้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนขึ้นมาเป็นคนดีพวกเราอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างที่หลวงพ่อได้ยกพุทธภาสิตขึ้นเบื้องต้นว่าปฏิรูปรเทสวาโซจะปุกเพ จ, จะกร ะ, ะปุญญาตาขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติ ความแปลและความหมายในพระบาลีนั้นว่าปฏิรูประเทศวาโซจะเกิดในประเทศอันสมควรคืออย่างประเทศไทยของเราไม่ร้อนไม่หนาวทำใมชาติไม่รังแกไม่ฆ่าพวกเราเรียกว่าปฏิรูปรเทศวาเสวะโซจ่ปุพเพจะพวกเราคงได้ทําบุญไว้ในอดีตชาติจะมาเกิดในสถานที่แห่งนี้อัตตสมาปณิทิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบนี่เรามาเกิดในที่ดีแล้วนะ เมื่อเราเหมือนเหมือนกับเราได้ทำหน้าที่การงานดีแล้วนะได้รับตำแหน่งดีแล้วเนะี่ยแต่เราไปหากินเหล้าเมายาสัมมเลเทมองเขาไล่ออกจากงานนะเออมันเสียน่ะสิพอตกออกจากงานเท่านั้นเลหมดท่าเลยสิเพราะอหไรเพราะว่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบนี่ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วนะแต่พบพระพุทธศาสนาแล้ว ให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนั่นแหละเมื่อเข้าสู่บุญมีบุญมีกุศลแล้วนะ่ะแปลว่าตั้งตนไว้ชอบนะเกิดพบหน้าชนาก็จเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนี่แหละหลวงพ่อยา้าอีกว่าไคยะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติอันนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่พระพุทธเจ้าจะปริณีพ่านในวันเดือนหกเพนนนะ่ะ พระองค์ได้สั่งเสียพระภิกษุสงฆ์พุทธบริษัทว่าขายะวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเกิดแก่และก็เจ็บและก็ตายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเน้อขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดนะให้เข้าประโยชน์ตนกันนะให้พวกเราธรรมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุดจิต อย่าไปคดไปโกงอย่าไปพ่นไปจี้อย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยอันนี้เดีสิ่งที่มันไม่ดีเดี๋ประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านใครช่วยช่วยท่านสิ่งไหนพอจะช่วยเหลือเขาได้โรงพยาบาลโรงเรียนให้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม แนะนำสั่งสอนบอกเกาวยังไงที่จะให้เป็นประโยชน์นี่แหลประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก่อนเนี่ยนะอย่าให้ขาดตปบกพ้องเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดพระพุทธเจ้าท่านเสื่อมเสียพวกเรานะีลูกหลานคณะจัตยาญาติโยมนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเกิดมาได้พระพุทธศาสนาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้ อยู่ใกล้พระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะให้เป็นคนดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเราคิดทําพูดในสิ่งที่มันไม่ดีและมีแต่ความผียิ้หายนะลูกหลานคณะสัตยาญาตโยมนะอันต่อเ น, นื่องไปการกล่าวสมโภตธนิยกรรมฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระพระศีรัตนนตรยัย คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบรญมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงบุญบุญมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมยินพระมหาภูมิผลที่ท่านสวรรคารายสวรรค์คดขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราไปสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมกอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอ